ขบ ن น้าเอติ الدنياحسن ์ว่าในอัลอ حسن ัตันว่าขีนอาซาบันนาร์ขพระคุณพระเจ้าที่ะเจ้ سبحانه และเต้าลาให้เกียวกัทุกท่านครับขอบพระคุณพระเจวันนี้ได้กลับมาสู่การรวมกันอ่านอัลกุรอานในมัจลิสที่ราวงจากพเ سبحانه และเต้าลาว่าเป็นมัจลิสิร จ ج ิสที่เต็มไปด้วยการรำลึกถึง Allah س ب ح ละ ت ع ا ل ซึ่งมีฟติลัตยิ่งใหญ่บางครั้งเราไม่ได้ตักเตือนไม่ได้ย้ำเตือนนะครับก็จำเป็นที่จะต้องให้การสกิดและก็ย้ำเตือนนานๆาทีให้เราเห็นถึงความสำคัญของการนั่งอย่างนี้เพราะ Allah س ب ح ละ ได้ให้เกียรติกับคนที่มานั um, ่งร่วมกันเพื่อราลึกถึงพระองค์อินน่ลลลฮิมลลาอิกะตันยาสีรูนฟิตรุฟใน h a d ที่ท่านเบบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวัลลัมบอกว่าอัลลอฮ์สุบฮานะฮ์ตาลามีมลลาอิกะตบางกลุ่มบางส่วนที่คอยให้มาเดินทาง วันหน้าแผ่นดินของพระองค์เพื่อที่จะหาว่ามีบ่าวของพระองค์กลุ่มไหนที่กําลังราลึกถึงพระองค์บ้างมีมนุษย์ใครบ้างที่กําลังนั่งชุมนุมกันเพื่อที่จะระลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮาระห์ตะลาไม่ว่าจะเป็นด้วยการกล่าวตัสเบะต่อพระองค์กล่าวสิเกตทุกรูปแบบและแน่นอนที่สุด การเรียนอัลกุรอานการอ่านอัลกุรอานย่อมเป็นการ zikir ที่ดีที่สุดอันนี้บรรดาอุลามะเองก็ให้ความเห็นอย่างนั้นระหว่างการต a s ทั่วไปการ t a h ทั่วไปการ zikir ทั่วไปกับการอ่านอัลกุรอานการเรียนอัลกุรอานถามว่าอันไหนดีกว่ากันแน่นอนว่าการอ่านอัลกุรอานการ zikir ด้วยการอ่านอัลกุรอาน มัจลิซุลฎิกรมัจลิสุลเอลวงชุมนุมเพื่อหาความรู้ที่มีอัลกุรอานเป็นส่วนประกอบหลักย่อมดีกว่าวงชุมนุม um um, ที่เป็นการซิกกตทั่วๆวไปเพราะว่าความประเสริฐของอัลกุรอานต่อเนื้อความประเสริฐของบทซิกเตนะครับทั่วๆไปเนี่ยแน่นอนที่สุดว่ามันเหนือกว่า อยู่แล้วนะครับในทัศนะของ Allah Subhanahu Wa Taala แต่จะบอกว่านขนาดในขณะที่วงซิกเก็ตทั่วไปเนี่ย Allah Taala ก็ยังให้คุณค่าโดยให้มาลายิกัดมาหามาอยู่ด้วยแล้วพอมาลายิกัดกลับไปหา Allah Subhanahu Wa Taala ไปรายงานต่อ Allah Subhanahu Wa Taala มาลายิกัดก็จะรายงานกับ Allah ว่าคนนั้นนะมันั่งซิกเก็ตอยู่นะคนนี้นะกี่คนกี่คนก็ว่าไป อัลอลอฮฺเขาบอกว่าฉันขอให้พวกท่านเป็นพยานทั้งหมดว่าฉันได้อภัยโทษให้กับคนที่มานั่งซิกเกตต่อฉันทุกคนเลยและแล้วอะไรก็บางส่วนก็แย้งขึ้นมาว่ายาอัลลอฮมีบางคนที่มาไม่ได้มาเพื่อจะเรียนหรอกมาทำอย่างอื่นแวกผ่านมา หรือมาหาใครบางคนแล้วไม่เจอที่บ้านเขาบอกออกมาอยู่ที่สุราวก็เลยมาหาที่สุราวไม่ได้ตั้งใจจะมาเรียนอัลลาอฮฺละลาบอกาจะเอาไปให้หมดเลยแล้วคนเนี้ยคนนี้ไม่ได้มาเรียนทีนะมาทำอย่างอืน่นอัลลาอฮฺละลาให้เอาไปด้วยหรือเปล่าท่านนาบีบอกว่าอุล uh um ัยก al ์ก์กอุมุนลาอิญช์กาเจลิซุฮฺมอุลัยก์ก์ ข้าวมุนพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่ใครมานั่งด้วยไม่มีวันเสียหายไม่มีวันศูนญเปล่าสมมุตินี้เราเป็นคนแบบเป็นคนที่เป็นกลุ่มหลักที่มานั่งเรียนกันแล้วมีใครสักคนหนึ่งผ่านทางมาเออเข้ามาทําอะไรหรือมาหาใครสักคนอย่างนี้ไปหาที่บ้านไม่เจอแล้วเออเขาบอกว่านี่ยูนดีที่สเราก็เลยมานั่งฟังด้วยนั่งฟังแบบไม่ได้ตั้งใจร้อยปว่าจะมานั่งเรียน เราจะาลาบอกว่าคนที่มันนั่งโดยไม่ตั้งใจเนี่ยถามว่าได้รับการอภัยโทษจากอัลลอ์ไหมได้รับด้วยเป็นผลพวงมาจากพวกเราทุกคนสุบฮานอัลลอฮฺะดิษนี้ไม่ค่อยถูกใช้ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ในสภาพสังคมที่เราต้องการพลัง ทางจิตวิญญาณอย่างมากในการต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆที่เราต้องเจอในชีวิตของเราต้องใช้พลังนะครับใช้ชีวิตทุกวันนี้เนี่ยไม่มีพลังใจเนี่ยไปไม่ไหวนั่นแหละที่ต้องการคนนั้นให้กําลังใจต้องการคนนี้ให้กําลังใจพอเหนื่อยนิดนึงเอาอัพนิดหน่อยให้คนอื่นมาไลค์ให้คนอื่นมาแสดงคอมเมนต์เพื่อจะได้กําลังใจในการที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปใช่ไหมครับ ไม่มีกําลังใจเราเดินไปไม่ไหวแต่ไม่มีใครรู้ว่าพลังใจที่สําคัญที่สุดก็คือการมานั่งสิกเก็ตการมานั่งเรียนอัลกุรอานการมานั่งอยู่กับบรรดามะลายกันสุข่านัลนแหละไม่ค่อยมีคนเอาไปใช้สูตรที่ท่านนาบีสัลลัลลอฮฺองรัสันหลังได้ใช้ในสมัยของท่านใช้กับบรรดาสัพหะเพราะฉะนั้นนี่เป็นการเตือนพวกเราเป็นการสะกิดย้ําเตือนพวกเราว่าการมานั่งอย่างนี้ มันไม่ใช่แค่มิติของพวกเราเท่านั้นจริงๆแล้วมันมีมิติอีกมิติหนึ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นก็คือมิติของมล ائ กิกัสมิติของ Al ina, ma, อัลสกีนะอัลรัห์มะอัลมาเลกามิติที่อัลลอฮฺสุบฮานตะลากําลังมองดูเราอยู่กาลังจะให้บางสิ่งบางอย่างที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของเรา ครับต่อการฟันฝ่าอุปรสรรคต่างๆในชีวิตของเรานี่แค่มานั่งเฉยๆนักภาษาอะไรกับการที่เรามานั่งคน้นคว้าหาความลับที่ซ่อนอยู่ในพระดำรัสของล้องสุภ า, าต่าแล้วซึ่งผมเองสังเกตตัวเองนะครับมีความรู้สึกว่าเวลาที่เรานั่งอ่านอัลกุรอานคนเดียวกับการที่เรามานั่งสอนค่อยๆ อ, อ่านไม่รีบ ไม่รีบที่จะอ่านให้จบมันมีความรู้สึกว่าเราใช้เวลานานจริงใช้เวลานานในการที่จะนั่งดูอายัดเดียวเนี่ยนั่งดูนะจะรู้สึกว่ามันได้มันให้ความหมายนั่นแหละลอัลกุรอานต้องการให้เราตาดบับบล์อัลกุรอานเนี่ยจะเกิดประโยชน์ก็เมื่อมีการตาดับบล์นะครับขอให้เป็นคําที่เราเข้าใจกันตาดับบล์เนี่ยพูดมาหลายครั้งแล้วนะครับพูดถึงตาดบับบล์เนี่ยให้เราเข้าใจกันเลยให้เป็นคําที่เรียกว่าเป็นคํา ทับศับไปเลยแต่ดับบนะต้องการการต่ดับบดต้องการให้การที่เราดูแบบใครครวญถ้าดูแบบไม่ใคร่ครวนมันไม่มีประโยชน์มันไม่ได้ประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นฮนะาระกอกของเราเนี่ยเราถือเป็นฮาระกอต่ดับบฮาระกอต่ดารุสด้วยแนะต่ดารุสก็คือการศึกษาร่วมกันการต่ดับบดด้วยทั้งสองอย่างนี้แหละนะมันจะทําให้เราเข้าถึง เนื้อหาต่างๆที่อราพุรอ่าน ต, ต, ต, ต, ต้องการสื่อให้เราได้รู้ได้เข้าใจและก็เอาไปปฏิบัติจริงๆในชีวิตของเราได้ชออัลลอฮฺทรงคาราะห์เราจาลาซุลตลมุลก์นะครับเรายังอยู่ในช่วงต้นๆยังไม่ได้ไปไหนไม่เป็นไรนะครับยังถือว่าคลังความรู้จริงๆแล้วมันมีอะไรอีกเยอะบางทีด้วยความความรู้อันน้อยนิดของผมเองนะครับแล้วก็ ข้อจํากัดต่างๆในการศึกษาในการคนา้นคว้าเพื่อที่จะเอามาให้พวกเราได้รับทราบได้ถ่ายทอดให้กับพวกเราเนี่ผมมองว่าผมเองก็ยังบกพร่องในการที่จะถ่ายทอดความรูม้ต่างๆอีกมากมายนะครับสังเกตง่ายๆหนังสือที่เอามาอ่านเนี่ยสอสาเล่มจริงๆถ้าจะนับหนังสือทับเสพจะขนหนังสือทับเสพมาเพื่อสอนพวกเราเนี่ยขนกันไม่ไหวหนังสือทับเสพมีเป็น10เป็นร้อย จะอ่านกันยังไงดีวางสิบเล่มแล้วจะอ่านให้เราฟังสิบเล่มนี่ยคเหนื่อยคนสอนก็เหนื่อยคนฟังก็เหนื่อยมันเหนื่อยต้องยรับว่าเนี่ยที่เราเรียนกันทุกวันเนี่ยนิดเดียวครับพวกเราอย่าคิดว่าเยอะนะไม่ใช่เอาเอาพอมาเรียนกับผมแล้วไม่ต้องกลับไปเรียนกับคนอื่นแล้วเอ้ยเรียนแล้วกับอาจารย์สุรทุรมนุชไม่ต้องไปฟังคนอื่นสอนแล้วไม่ครับไปฟังเลยแล้วเอาไปเปรียบเทียบดูว่ามันมีความหมายอีกหลายหลายประการที่บางทีผมอาจจะ เข้าไม่ถึงไม่ได้ศึกษาไม่มีเวลาที่จะไปดูหรือเข้าไม่สามารถที่จะเข้าถึงจริงๆริงบางทีพอไปเรียนกับคนอื่นอาจจะได้อะไรอีกมากมายผมยกตัวอย่างสุราตุลกาฟสุราตุลกาฟเนี่ยสองสามวันวันนี้ผมได้ประสบกับเหตุการณ์สองสามอย่างที่มันทําให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆจากคนอื่นตอนแรกผมเคยอธิบายว่าสุราตุลกาฟเนี่ยเป็นบททดสอบบททดสอบสามสี่อย่างที่มันเกิดขึ้นกับมนุษย์ นี่จะบอกถึงความมหัศจรรย์ของอนุอคลียร์โซลาร์เซลล์เป็นบททดสอบหนึ่งเป็นบททดสอบของวัยหนุ่มสาวตอนต้นของโซลาร์พลังตะลาพูดถึงชาวถ้ำซึ่งเป็นวัยรุ่นวัยรุ่นจะมีบททดสอบเยอะช่วงอายุที่เป็นกําลังวัยรุ่นเนี่ยจะมีบททดสอบเยอะเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อพอผ่านวัยรุ่นไปแล้วก็จะมีบททดสอบอย่างอื่นเข้ามาอันก็คือบททดสอบเกี่ยวกับดุนเนียเกี่ยวกับทรัพสมบัติ บบ ข, ขญญาาาานะ้ า, ข า, r, า, า, า, านะรับ บ, บับบนนลล allah ์มาสั่งให้รจูลย์ให้บันย์ย์ย์ยอง์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ยบย์ย์ยบน์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย์ย เป็นนบีนะเป็นนบีมูซาเป็นคนที่อาเล่ห ม, มากแล้วและบททดสอบจะเคเดิรดอีกและสุดท้ายก็คือบททดสอบของคนที่มีอำนาจเรื่องราวของสุลก่านในเรื่องราวของสุลก่านในนะครับนี่คือบทเรียนที่เราได้รับจากสุลตุลกาฟีอีกอย่างหนึง่งบทเรียนที่เราที่ผมประสบมานะครับบทเรียนสุลตุลกาฟนี่ท่านนาบีบอกให้อ่านในวันศุกร์อ่านทําไมในวันศุกร์ แล้มีฮาดิษที่บอกว่าใครก็ตามที่อ่านสุรทูลกาฟีเขาจะรอดพ้นจากการล่อลวงของของดันแจลดันแาลเนี่ยเวลามันมาลวงเนี่ยมันจะลวงกับอะไรลวงกับฟิตรนะต่างๆใครก็ตามที่ผ่านบททดสอบทั้งสี่อย่างในสุรทูลกาฟีได้อินชาอัลลอฮ์เขาจะผ่านบททดสอบของดันแจลได้นี่คือฮห้มาของมันที่เรามองเข้าไป เผ อ, อิญว่ามีบางคนนะครับวันก่อนมีคนโพสต์ว่าอัลลอฮ์สุบฮานะวะตาอัละหรือท่านนาบีลตรอฮอลวะสัลลัมบอกให้เราอ่านสุรตุลกะฟีในวันศุกร์เหมือนกับว่าวันศุกร์วันหนึ่งเนี่ยให้เราเข้าถ้ำ <laughs> ให้เราเข้าถ้ำวันอื่นเนี่ยทงานมาเยอะวันศุกร์นี้เข้าถ้ำสักวันหนึ่งทำอิบาดาัดต่ออัลลอฮ์สุบฮานะทออิบาดาให้เยอะ ตักําซิกให้เยอะสลาวาฮให้เยอะทําดีให้เยอะในวันสุขร์อัลเลาะห์ในขณะที่วันก่อนตอนที่ไปอินโดมีอาจารย์คนหนึ่งมีด็อกเตอร์ที่มามาทําเวิร์คชอปด้วยก็บอกว่าสุราุลกะฟีเนี่ยเป็นสุนนะตุลลอฮ์ุนนะตุลลอฮในการที่จะให้คนคนหนึ่งนั้นเป็นใหญ่เป็นโตในสังคมหรือ <Yeah. S 2> คนที่เป็นผู้ศัธาเนี่ยว่า จะได้อยู่ในระดับเกี่แบ่งระดับเป็นอะไรเขาเรียกระดับของการที่จะตอนแรกนั่นมัธยลาจุดตอดช่วงของการถูกขับไล่ปกติมันจะเป็นอย่างนั้นดูไหมครับเรื่องราวของบรรดาในเบีทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการถูกขับไล่ทั้งหมดเลยมัธยลาจุดตอดช่วงเวลาแห่งการถูกขับไล่ก็คือบรรดาหนุ่มสาวหนุ่มบรรดาฟิทยาทุลฟิทยาทุลหักฟิทยาฟิ อินนุมฟิทย์ ن ตุนอาเมนุบรรบิหิมวจินนฟิย์นุมคนนุมไม่กี่คนที่ถูกขับไล่อยู่ไม่ได้ในบ้านเมืองตัวเองอันนี้เป็นสุนัขุลลา์คนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮสุบตัลละมักจะถูกขับไล่มาถึงช่วงที่สองมัรฮะละตุลอิบติลาเป็นช่วงของการที่ว่า ม, มีที่มีอะไรเขาเรียกมีมีม มีมีเมืองมีรัฐมีอะไรให้ปกครองแล้วแต่อยู่ในช่วงของการอัต d าระฟเป็นช่วงของการาได้มาเสียไปเสียไปได้มาต้องสู้นะไม่ว่าจะเป็นการอิบติละาการการทดสอบด้วยดุนยาก็ดีการทดสอบด้วยความรู้เป็นช่วงของการสร้างสร้างนั่นก็คือนะเรื่องราวของนบีมูซากับนบีขิดเดชและก็เรื่องราวของชายสองคนที่เป็น เป็นเป็นเพื่อนกันที่ถูกพูดถึงสุรัตุลกาสีมาสุดท้ายมัฮทฮาจุดทัมคินช่วงแห่งการได้ได้อำนาจเพื่อที่จะปกครองนั่นก็คือเรื่องราวของซูลกอ์ไนเห็นไหมครับสุราเดียวเนี่ยเราฟังคนสามสี่คนไม่เหมือนกันสักคนเลยเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกว่าอัลกุรอานเป็นอะไรที่มหาศาลไม่ใช่ว่าเราฟังวันนี้ เราไม่ต้องฟังคนเดียวแล้วไม่ฟังเถอะฟังแล้วก็เอามาถ่ายทอดเอามาเปรียบเทีบนี่แหละที่เราเรียกว่าอัตตาดารุสอัตตาดารุสที่ทาง น, นาบีบอกว่าวยาตาดารุสนห์เฟีมาเบนหฮัมยาตาดารุสไม่ใช่ฟังคนเดียวไม่ใช่เรียนคนเดียวช่วยกันสอนช่วยกันฟังยาตาดารุสุช่วยกันพูดช่วยกันบอกว่าตัวเองได้อะไรมาบ้างจากสิ่งที่ได้อ่านจากสิ่งที่ ไม่อย่างนั้นท่านนาบีสุลต่านสัลลัมไม่อยากฟังจากซาฮับวะสุบฮานัลล่นหรเป็นถึงนบีแต่ฟังจากลูกศิษย์ของตัวเองไม่มีแล้วครับในโลกดุนยานี้คนที่เป็นครูแล้วจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากไปกว่าท่านรอสุลลลอฮฺสัลลัลลอฮฺอะลัยฮิสสลามเป็นอาจารย์แต่ฟังจากลูกศิษย์ได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยมึงลูกศิษย์กูอย่ามาพูดมากฟังกูคนเดียวไม่มีท่านนาบีฟังบอกทีย่ายากฟังจากอิมามอุสอฺ มุสาวร้อใจใ จ, ใจฉันอ่านอัลกุรอานให้ท่านฟังได้ยังไงอัลกุรอานนี่ลงมายังท่านนะสุภานัลล่นแหละอ่ะอัะสาวบ้าบางคนเชื่ออะไรแล้วที่อ่านอัลกุรอานเพราะเพราะท่านนบีตั้งใจฟังมากโดยที่เจ้าตัวไม่รู้มจชื่ออบูดาร์ดะหรือชื่อชื่ออะไรและอสาบที่ว่าอ่านก็อ่านเพราะบูมุซาร อ, าอบูดาร์ดะสองคนนี่แหละท่านนบีตั้งใจฟังอสาบ้ของท่านอ่านอัลกุรอาน ไม่รู้ตัวนะคนที่นั่งอ่านอยู่ก็ไม่รู้ตัวว่าท่านนาบีนั่งฟังอยู่สักพักหนึ่งเอ้าเริ่มรู้ตัวเอ้าท่านนาบีฟังอยู่หรอท่านนาบีก็บอกว่าเจ้าเนี่ยมาชมีเสียงแพรร่อมากเลยนะเหมือนกับครุยของนบีดาวูดอ่าเหมือนกับคลุยหมายถึงว่านาบีดาวูดเนี่ยเวลาสิกิกตกับอัลลอฮ์เวลาสิกเกต่ออัลลอฮ์เนี่ยมาโครที่อยู่ข้างๆที่อยู่รอบๆท่านเนี่ยจะสิกิกตพร้อมกับท่านด้วยรอบๆมาก ซาบะคนนั้นก็บอกว่าชะถ้าฉันรู้ว่าท่านกําลังฟังฉันอยู่และบบรตุและกาดะบีรอฉันจะอ่านให้เพราะกว่านี้อีกหมายถึงว่าเนี่ยนะครับมันเป็นภาพที่อยากจะให้มีก็อยากจะให้มีบรรยากาศเหล่านี้กับอัลกุรอานนี่ยังมีอีกเยอะที่เป็นวีรกรรมของบรรดาซาบะ ที่เป็นเวรกรรมของบรรดาทาบิอินที่มันน่าเล่าให้เราฟังเหลือเกินนั่นเป็นตัวอย่างในการที่เราจะเรียนอัลกุรอานเรียนอัลกุรอานให้มีสีสันอย่าให้มีความรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเรียนแล้วเครียดแลเรียนอัลกุรอานแล้วมีความรู้สึกว่าโอ้ทำไมมันปวดหัวมันเครียดอะไรอย่างนี้เราต้องหาสีสันหามุมสวยงามงามสวยสวยงามงามเวลาที่เราเรียนอัลกุรอานโดยการศึกษาประวัติต่างๆเหล่านี้นะครับเราจะพบว่าเวลา เวลาที่เราได้อยู่กับอัลกุรอานเป็นเวลาที่พิเศษที่สุดไม่มีเวลาที่จะไม่มีช่วงเวลาใดที่จะพิเศษไปกว่าการที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่เราได้มานั่งเรียนอัลกุรอานด้วยกันไม่ใช่เฉพาะระหว่างพวกเรานะเอ้ามีช่วงเวลาที่พิเศษอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกอย่ายิ้มนะโดยเฉพาะคนที่แต่งงานแล้วท่านนบีซุลลัลลอฮุอาลัยฮิวะสัลลัม นอนอานอัลกุรอานบนตะอัยชา์รดยอลอฮเราเป็นติกไหมครับในขณะที่อัชา์มีประจำเดือนสุบฮานัลลอฮไม่มีใครอยากทำมั่งเหรอฮ ะ, ะแสดงความรักน <laughs> อ, อัลกุรอานเป็นสื่อกลางน่าอายมากครับพวกเราเนี่ยน่าอายมาก น่าอายยังไงเราทำไม่ได้เหมือนท่านพบีบิดาน่าอายไว้ในขณะที่เรากำลังหาความรักกันกำลังค้นหาสิ่งที่โรแมนติกในโลกดุนียานี้นี่สิ่งที่ท่านทำเอาไว้อย่างโรแมนติกที่สุดไม่มีใครทำได้ละมุสตาอเพราะฉะนั้นมาเถิดครับมาช่วยให้หัวใจของเรารู้สึกสดชื่นเวลาอยู่กับอัลกุรอานแล้วรัก รักที่จะเข้าใจอัลกุรอานรักที่จะเป็นมิตรกับอัลกุรอานรักที่จะรู้ว่ามันมีอะไรอีกบ้างที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานที่มันมันเป็นความสวยงามให้กับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นเวลาอยู่คนเดียวเวลาอยู่กับภรรยาก็สวยงามได้ถ้ามีอัลกุรอานเวลาอยู่กับพ่อแม่ก็สวยงามเวลาอยู่กับลูกสองสามวันวันนี้ผมประทับใจเวลาที่อยู่กับลูกมาก ไม่มีใครหรอกครับที่เป็นพ่อเป็นแม่จะไม่ดีใจเวลาที่เห็นลูกตัวเองอ่านอัลกุรอานได้ผมถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จประการหนึ่งของคนที่เป็นพ่อแม่แล้วนั่งฟังลูกของตัวเองอ่านอัลกุรอานได้ไม่มีอะไรไม่ต้องการอะไรอีกแล้วก็อ่านอัลกุรอานเองได้โดยที่เราไม่ต้องสอนอ่านถูกตะจุิดด้วยน้ำตาจะไหลนี่คือความรู้สึกเห็นไหมครับ มันมีความสวยงามอยู่ในตัวของมันเองเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาให้ได้ว่าอัลกุรอานจะให้อะไรกับเราอีกบ้าง น, นะครับมันเป็นความสุขที่เอาอะไรมาแลกมันก็มันหาค่าไม่ได้เ็ผมนึกถึงตัวเองเออเราเวลาเห็นลูกอ่านอัลกุรอานเราดีใจขนาดนี้คนเป็นพ่อเป็นแม่จะดีใจขนาดไหนคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เราเราเคยเห็นสัมผัสเราเคยสัมผัสน้ำเสียง สายตาคำพูดของพ่อของแม่เราเวลาที่พูดถึงเราเรารู้สึกได้ว่าเขาภูมิใจกับการที่เรามีอัลกุรอานอยู่ในตัวเห็นไหมครับไม่มีอะไรเลยที่เกี่ยวข้องกับอัลกุรอานแล้วทำให้เราเสียหายเราต่างหากที่เสียหายเพราะเราไม่เข้าหาอัลกุรอานไม่ตักตัวอจากอัลกุรอานอุนการิบอัลลอฮฺมุสลินี่คือสิ่งที่อยากจะให้ช่วยกันคิดนะครับเพราะว่าการนั่งแบบนี้มันน้อยเหลือเกินอ่ะมันน้อยมาก เราอย่าคิดว่ามันเยอะนะครับมันน้อยมากต้องรณนงำงกันอีกเยอะต้องพูดกันอีกเยอะนะครับแล้วก็ต้องช่วยกันอีกเยอะเพื่อให้เรามีความรู้สึกที่ซึมซับกับอัลกุรอานจริงๆอินชาอัลลอฮฺสุภานะจ๊าละอ่ะมาอ่านกันนิดนึงนะครับสซลสุมุ๊กตั้งแต่อายัที่ห้าเป็นต้นไปอินชาอัลลเพราะว่าหนึ่งถึงสี่เราพูดไปละ س و ر الملك أ ي ت ه ا لقد ز ي ن السماء. ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد ز ي ن السماء. อย่าบ่มสาบิพว่าสียงนกยานาสวรรค์ว่าจงทำให้เราได้ย เราดินาลห بَ ا ل ดَّ ع ัยร์ وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وَبِسَلْمَصِيرٍ وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهق وهي تف ت م ك ز ا د ُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ทَُ่ีทุกๆُีَ่ี่มีِุกๆทีَท ي ่มِ ك َّุที่ที่มีทَุๆที่ที่มีทุกๆที่ที่มีทุกๆที่ แค claro ่นั้นก็พอขอบพระคุ ا พรเระคุณพระเจ้าขอบะ้อะครบอุะ ลิชยาทิน سبحان الله เมื่อครั้งที่ผ่านมานะครับเราอธิบายว่าอัลลอส์ س ب า ا ต่และ ت ท้าให้มนุษย์เนี่ยดูท้องฟ้าดูกี่ครั้งก็ได้แล้วบอกมาว่าเจอข้อบอกพร่องอะไรในการสรรสร้างของอัลลอส์ س ب า ا ن ه และ تعالى รืเปล่าแน่นอนว่าคำตอบที่จะได้ก็คือ ยันกลับไ إليك البصر خاسئا وهو حسير สายตาย่อมจะหวนกลับมายัางตัวเจ้าเองด้วยความรู้สึกประยศต่ำต้อยเนื่องจากไม่พบว่ามีความบกพร่องอยู่ในสิ่งนั้นพร้อมด้วยอาการเหนื่อยล้าและก็เพลียงพลํานี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าหากว่าเราพยายามที่จะหาข้อบอกพร่องในการสร้างอ่อนล่องสบามัตาล เพราะฉะนั้นอลอตาลาปฏิเสธเป็นในเลยนะครับปฏิเสธเลยให้เราเห็นให้เราพิสูจน์เลยแล้วมันเป็นการประกาศปฏิเสธอยู่ในนั้นเลยว่าไม่มีข้อบกพร่องใดๆอยู่ในการสร้างของขอล็อกส์บาลตาลาอย่างแน่ น, นอนพอลอตตาลาปฏิเสธเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็มายืนยันอีกครั้งหนึ่งด้วยการอิสบัต อิสบัดก็คือการยืนยันด้วยการสาบานนะครับว่าเราได้ทําให้ท้องฟ้าเวลากระเจี้ยนในสมมาโลกนี้ท้องฟ้าชั้นชั้นแรกที่เรามองเห็นบีมาซาบีให้สวยงามไสยเย็นนะก็คือทําให้สวยงามตกแตง่งตกแต่งให้สวยงามนะใช้การสาบานเพื่อที่จะให้เราเห็นว่า อัลลอฮฺสัมเอาจาละเนียละเอียดละเอียดละอแค่ไหนในการที่ทำให้ท้องฟ้าเนี่ยมันถูกประดับประดาด้วยดวงดาวที่เป็นเหมือนกับมอสอบีคำว่ามอสอบีจริงๆแล้วหมายถึงดวงไฟโดยสัตว์ของมันแล้วหมายถึงดวงไฟดวงปฏีนะปฏีนี่เออเทียนใช่ไหมปทีดวงไฟมอสอบีก็คือดวงไฟซึ่งเป็นการเปรียบเปย ดวงดาวต่างๆที่เกลื่อนกลาดที่ประดับท้องฟ้าเหมือนกับดวงไฟเพราะอะไรครับเพราะว่ามันมีแสงสว่างมันมีแสงสว่างไม่ใช่เป็นไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่มีแสงสว่างในตัวเองหรือที่มีแสงสว่างจากจากดาวดวงอื่นไม่ว่าจะเป็นดวงดาวที่นิ่งอยู่กับที่หรือดวงดาวที่โคจรนะ<ม>ไปเลื่อนเลื่อนเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลา سبحان อัลลอฮ Allahu Akbar لا إله إلا الله ชาวแคเนีบอกว่าจริงๆแล้วใช้คำว่าสัมเมาอันดุ نية ว่าแล้วจัยน์นั้นสัมเมาอันดุ نية Allah taala ตกแต่งชั้นฟ้าของดุนยาด้วยดวงดาวซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่เฉพาะท้องฟ้าชั้นดุนยาเท่านั้นที่มีดวงดาวดวงดาวบางดวงไม่ได้อยู่ชั้นของดุนยานะ อยู่อีกหลายชั้นแต่ก็เห็นเห็นได้เพราะอะไรเพราะมันมีแสงส่องลงมาอันนี้เป็นคําอธิบายของบรรดาอุลามะนะครับไม่ใช่ว่าดวงดาวทุกดวงเนี่ยอยู่เฉพาะชั้นดุเนียเท่านั้นนะครับดวงดาวบา ง, บางดวงดวงดาวอีกหลายดวงนะครับก็มีชั้นของมันไม่ใช่มีเฉพาะที่ชั้นดุเนยียแต่ว่าเราเห็นว่ามันอยู่ในชั้นดุเนยียเพราะความสุกสว่างของมัน ความใสของมันประกายแวววาวของมันนะว่าแล้วจัดเจียนนัสมาอันดุนยาบิมสาบิฮ์เวลาดูดวงดาวแล้วเราจะเห็นถึงความสวยงามพวกนี้นะครับไม่อย่างนั้นไอ้พวกนักกวีทั้งหลายเนี่ยคงไม่ได้เขียนกลอนนะถ้าไม่มีดาวไม่มีดวงจันทร์เนี่ยคงไม่มีบทกลอนเกี่ยวกับอารมณ์เพ้อเพ้อของบรรดา น, นักกวีตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เวลาที่หามุกไม่เจอจะเขียนอะไรดีออกไปดูท้องฟ้าเออได้มุกมาเขียนจะเขียนอะไรดูท้องฟ้าดูดวงดาวมาแล้วมาแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเซนเซนในการเขียนเนี่ยมาแล้วต้องอาศัยวัตถุดิบจากอัลลอฮฺสวาบัตฺตาลาที่ทรงทั้งมา <Allah. S 1> อัลลอฮฺอัลกุบะนะครับนี่คือแล้วเอามาขายให้เราอ่านทั้งทั้ที่เราไปดูเองก็ได้ไม่ต้องอ่านจาก ไอ้พวกนักวรรณกรรมทั้งหลายนไปดูแล้วก็เขียนเองบ้างดูสิว่าได้หรือเปล่าเ <laughs> นี่ยายดีขายดีนะครับตั้งแต่ยุคยุคโบราณกาลมาจน ถ, ถึงทุกวันนี้เดือนเด่นฟ้าดาดาวใครเคยอ่านบ้างเ <laughs> นี่ยคือคือข้อเท็จจริงที่สุภาหานัลล่นอหละเอกข้ออานอมาพูดเป็นความสวยงามนะเป็นความสวยงามที่มีสาระ ไม่ใช่ไม่มีสาระนะครับเป็นความสวยงามที่สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์จิงๆให้มันสวยงามแล้วยังให้อะไรอีกครับว่าจะนำฮาจูมันลิชชัยอตินและเราได้ทำให้มันทำให้อะไรทำให้ดวงดาวพวกนี้รูจูมันลิชชัยอตินให้มันเป็นอุกกาบาต ท, ที่เผาไหม้บรรดาชัยตอน ยังไงยังไงครับเป็นการเผาไหม้บรรดาชายตอนยังไงเรื่องก็คือว่าชายตอนนะเป็นบรรดาจินเนี่ยนะอัลลอฮฺสวาบัต้อบอกในสุรษอื่นนะครับในสุรษจินอัลลอฮฺตะลากรัฟูดอินนาเลมัสนสมาอฟาวจดนาฮามุลิอัตฮารซันชดดะวะชฮุบะนี้เกี่ยวข้องกับอัคเดะละลบรรดาคนที่เชื่อหมอผี เชื่อจินมันรู้ได้ยังไงบางทีเราสงสัยไหมว่าทำไมจินเนี่ยมันรู้ทุกอย่าง่า ก, กับเราเวลาที่เราไปหาหมอผีเนี่ยไม่ทานที่จะเอ่ยปากพูดหมอผีบอกแล้วอ๋อไปทำอะไรนั้นมาหรือของหายหรือแม่เชื่อนั้นมันบอกได้หมดรู้ได้ยังไง ร, รู้ได้ยังไงครับหมอผีไปเอาความรู้มาจากไหนมันไม่ได้รู้เองหรอกรู้มาจากจินที่คอยอยู่ข้างๆแต่เราต้องเข้าใจว่า ไอสิ่งที่จินมันบอกกับหมอผีมันไม่ใช่ความจริงเป็นความจริงที่มันเอามาจากจินอีกตัวหนึ่งจินกับจินนะทุกคนเนี่ยที่ร่างอยู่ตรงนี้มีจินเป็น <c oughs> เป็นเาเรียกว่าเป็นเป็นอะไรนะเป็นเป็นเอ่อเป็นบัตดี้ทุกคนมีจินเป็นบัตดี้หมดเลย <c oughs> เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าของของเราหายแล้วไปถามหมอผีหมอผีก็จะให้จินของมันเนี่ย <c oughs> ไปถามจินที่อยู่ <c oughs> ที่อยู่กับเรานี่แหละ ออไอ้นี่มันลืมกุญแจไว้ที่ไหนยินตัวนั้นแหละจะมาบอกยินของหมอผีหมอผีก็บอกเรามันแค่นั้นแหละเฉลยคำเฉลยของมัน <c oughs> แล้วพวกยินพวกนี้มีความพยายามอย่างสูงที่จะขโมยเขาเรียกว่าอะไรนะขโมยวะฮิยุจากอัลลอฮ์เวลาที่อัลลอฮ์ตะลาส่งวะฮิยุมาให้กับบรรดานาบีความรู้ต่างๆนี่มาจากอัลลอฮ์นี่พวกยินพวกนี้พยายามที่จะขโมยเพื่อที่จะให้รู้ก่อน แล้วก็เอามามาทำการตลาดกับบรรดาหมอผีทั้งหลายที่เป็นที่เป็นที่เป็นปกติ<ส>แต่สำหรับอัลกุรอานอัลกุรอานอัลลอซุฮบอกว่าพระองค์จะทรงปกป้องพวกจินไม่สามารถที่จะขโมยอัลกุรอานได้ว่ามาแต่นซาลัดบิฮิชัยอตีนว่ามายัมบักรลห์ุว่ามายิสตัติยูน อัลกุรอานเนี่ยรัศดา ล, ะ ล, ะ ล, ะ ล, ะละรับประกานว่าพวกชัยตอนไม่สามารถที่จะเข้าถึงเวลาที่พวกนี้พยายามที่จะต่อตัวเองหมายถือว่าเวลาที่จะขโมยขโมอยอะไรก็เรียกขโมยวะยูเนี่ยก็จะต่อจะต่อตัวเหมือนเวลาที่เอ่อที่เราดูอะไรนะพวกทําอะไรนะเชิดสิงโตใช่ไหมอ่าอ่าพวกเวลาพวกเนี้ย เ, เนี้ยกำลังจะถึงเทศกาลของพวกเนี้ยต่อตัวขึ้นมาเนี่ยต่อสูงสูงสงพวกจินมันก็จะต่อตัว จนกระทั่งขึ้นไปข้างบนเพื่อที่จะขโมยวะฮิยูจากอัลลอฮฺสุบะอัสซาลาเวลาที่เป็นจิบรีมาละมัเลกัดเอาวะฮิยุลง ม, มาพวกนี้เวลาที่ไปถึงบนท้องฟ้าเนี่ยก็จะโดนอุกกาบาตจากดวงดาวเหล่านี้ดวงดาวไม่ใช่เอาดวงดาวทั้งดวงมานะถ้าเอาดวงดาวทั้งดวงมาเนี่ยรับรองว่าอ๋าบางทีอาจจะเกิดอะไรเรียกเอ่อ จักรวาลอาจจะถล่มไปแล้วเอาเฉพาะบางส่วนจากดวงดาวเอาหินบางส่วนเอาความร้อนบางส่วนที่ออกมาจากดวงดาวที่มันเป็นที่มันอะไรเขาเรียกที่มันปะทุออกมาเนี่ยเพื่อให้มาทำลายความพยายามของจินพวกนี้นะครับมีระบุในสุราเช่นสุราอุสสาฟาร์อินน่าซียนน์ส์สเมาอุดเนียบิซีนตินิลควาคับวะฮิซัมมินคุลีชัยตานิมาริด لا ي س م عونإلى الملائ Lagda ويقذفونمنكلجانب duhura d u h u ولهم عذابواصيإلامنخطفالخطفت فأتبعه شحارثاق ب ح, ب ف ف ب ح ัสมมติว่าขโมยได้นิดนึงดวงไฟดวงนี้ก็จะตามไปทำลายหมดเลยไม่มีทางนะครับที่จะเข้าถึงเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่หมอผีพูดหมอจินพูดถ้าอ้างว่า วันะอัลลอฮฺ س ب ح ะให้ตอบไปเลยว่าโกหกเป็นไปไม่ได้ที่มันจะพูดความจริงยินไม่พูดความจริงถ้าบอกว่าเนี่ยอัลลอบอกอย่างงั้นบอกอย่า ง, งนี้ให้ให้ให้ประกาศต่อหน้ามันเลยว่าโกหกเราตละประกาศเองอะลกเรนพวกนี้ไม่สามารถที่จะเข้าถึงกาอลาว่ามารถที่จะาถึงอัุรานอลาได้โดยเด็ดขาดับฮฺ س ب ح ا ن ละ นี่คือหน้าที่ของท้องของของดวงดาวกอเต้หนึ่งในบรรดานักกัจซีนะครับบอกว่าดวงดาวเนี่ยอัลลอฮ์ทรงแตาลาสร้างมาด้วยจุดประสงค์3ประการสองประการแรกก็คือที่ระบุในอายัดนี้หนึ่งให้เป็นความสวยงามบนท้องฟ้ามาชชอัลลอ์แล้วมนุษย์ก็เรียนแบบอัลลอฮ์เรียนแบบการสร้างของอัลลอฮ์ เวลาที่เราเข้าบ้านคนรวยคนโตคนใหญ่คนโตรหรือเข้าในสถานที่โออาร์ A, โรงแรมชั้นโรงแรมระดับ5้าดาว6ดาวเจ็ 7, ดาวเนี่ยเห็น ไ, ไหมครับทำยังไงให้โรงแรมสวยต้องมีระโยงระยางต้องมีเหมือนกับว่าประดับประ ด, ระดา ด, ด้วยท้องฟ้าให้มันให้มันดูสวยงามไหมเรียนแบบท้องฟ้าของลอสแวนดาอะไรแต่ว่าเรียนยังไงก็ไม่เหมือนนะนี่คือประการหนึ่งประการแรกนะครับที่ลอสแตนดาสร้างดวงดาว นะขอให้เราดูแล้วก็สังเกตดูเผื่อว่าเราจะได้อะไรบ้างจากจากกวงดาวพวกนี้ประการที่สองให้มันเป็นรูจูมันลิชยาตีนเป็นการทำลายพวกชัยตอนที่พยายามจะขมโมยความรู้ว่ายูจะอัลลอฮ์ทงอและประการที่สามว่าอลามะตินยุตธดาบิฮาให้มันเป็นอะไรนะเขาเรียก เ, เวลาที่คนเดินเรือ สมัยก่อนไม่มีเข็มทิศไม่มีอะไรก็ก็จะใช้ดวงดาวเป็นเป็นดวงดาวเป็นเอ่อเนวิเกเตอร์เป็นอะไรเป็นเอ่อนำทางเป็นก็เรียกว่าอะไรน ะ, อะบอกตําแหน่งอาจารย์เฉพาะดวงดาวบางดวงมันจะมีตําแหน่งเฉพาะของมันรู้เลยว่าอันเนี้ยทางทิศได้เพราะว่าไอ้ดาวดวงนี้มันอยู่ทางนี้แลนะเวลาที่เราเานะเราก็ไม่เคยออกทะเลไกลๆเหมือนกันต้องถามคนที่ออกทะเล ถ้าสมมติไม่มีอะไรอยู่เลยสมัยก่อนเขาจะเดินทางเนี่ยเขาต้องอาศัยดวงดาวทั้งหมดเลยเวลาดาวดวงนี้ขึ้นก็จะรู้แล้วว่าถึงเวลากี่กี่ยามกี่โมงไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็จะรู้ด้วยว่าเนี่ยฤดูนี้เป็นฤดูอะไรสุขานลละลอสุขานลละลอ่ิรานปีมาแล้วที่มีดวงดาวพวกนี้แลมันไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะมันไม่เคยเปลี่ยนเลยมันไม่เคยเปลี่ยนผม เนี่ยยังฟังอยู่นะคนเฒ่าคนแก่สมัยก่อนเนี่ยเวลาจะทําไร่ทํานาเนี่ยเขาคือมันไม่ใช่เรื่องโหราศาสตร์อะไรทั้งสิ้นนะเป็นเพียงแกแค่การบอกเวลาว่ามันถึงเรื่องดูการที่จะปลูกไอ้นี้ละเพราะว่าฝนจะตกแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ่าท่านถ้าดาวดวงนี้ขึ้นอีกสองสามวันฝนก็จะมาแล้วสภานอลลอันนี้เป็นก็เป็นการวิจัยของคนโบราณเราจะบอกว่าเป็นการวิจัยของคนโบราณก็ได้ซึ่งเลาสมัยโบราณสร้างมาเรพี่น้องลองคิดดู นี่แหละที่เราตาลาบอกว่าพระองค์ไม่ได้สร้างท้องฟ้าและแผ่นดิน ม, มาบอา์ตี้แหละไม่ได้สร้างมาเป็นเรื่องโมคะไม่ได้สร้างมาเป็นเรื่องเล่นๆไม่มีเล่ไม่มีอะไรเล่นเลยการสร้างของโลกสมัยอุตตร์อะใช่ไหมเป็นเล่นตรงไหนอะมีค่าทั้งหมดเลยบางทีเราไม่ได้เราไม่ได้คิดแค่นั้นเองอัลลอฮฺว่าแบบสุภาพแต่จะเข้าถึงบทสรุปแบบนี้ได้มันต้องอาศัย ต้องอาศัยเงื่อนไขในการที่จะเข้าถึงถ้าเราไม่คิดและไม่รำลึกถึงอัลลอสุบะฮฺอัตะลาผลมันก็จะไม่เกิดมันอยู่ที่การคิดแค่นั้นเองนะบบรรดาคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบะฮฺอัตะลาเองยังได้ประโยชน์จากมรคลุกของพระองค์เพราะคนเหล่านั้นใช้ความคิดคนที่ไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺประชยากรีโบ ร, ราณบรรดาอละะุลามบรรดานักวิชาการของชาวตะวันตกทั้งหลายแหละ ถามว่าพวกเขาเอาความรู้มาจากไหนเอาความรู้มาจากการคิดไม่ได้ศรัทธาต่อ Allah, อาาัลลอฮ์มาเนาะจัดเลยได้แค่ความรู้ไม่ได้นํากลับไปสู่อัลลอฮ์แล้วเราคนที่มีอัลลอฮ์เนี่ยพอเราไม่ใช้ความคิดมันไม่เกิดประโยชน์ถึงแม้ว่าเราจะศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เราไม่ได้ใช้ความคิดนะครับเราอาจจะได้ในส่วนหนึ่งแต่มันไม่เต็มที่มันมันจะเต็มที่ก็ต่อเมื่อศรัทธาที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปผสมกับกระบวนการตะฟักกุล คน้ายความคิดต่อมคลูกของล้องสุภาอัละอพร้อมๆกับการแต่ฟักแต่ ต, ตดับบุรคคำพูดมันคล้ายๆกันเลยแต่ฟักกุรแต่ดับบรุบรแต่แักุรเมันอยู่สองสามคำนี่แหละทั้งหมดนั้นมันจะหลอมรวมกันทำให้เราได้เข้าถึงพลังความรู้ที่มบอกว่ามันไม่สิ้นสุดนะที่เราใช้ชีวิตมนุษย์โลกนี้มีชีวิตมากี่พันปีแล้วยังไม่สิ้นสุดอีก ยังไม่หมดอีกความรู้ที่กำลังหากันอยู่ยังไม่หมดขนาดอัลกุรอานนี่ก็ยังไม่หมดที่จะหามันเนี่ยแล้ว น, นันรภาษาอะไรอีกความรู้ต่างๆที่อัลลอฮ์สุตัลลาประกาศเองว่าเอาท้องฟ้าเอาอะไรนะเอาเอาเอ า, เอามหาสมุทรทั้งเจมหาสมุทรมาเป็นเนื้หมึกเอ า, เอาต้นไม้มาทาเป็นปากกาความรู้ของอลัลลอ์สุลตลาเขจะไม่หมดอัลลอักบรลาอิลฮะอิลลอ์ นะอิลลัฮิลลอฮฺสตักโหรุลอฮฺอาตุบิลลอ์แค่ดวงดาวเนี่ยยังพูดไม่จบยังมีเยอะที่ต้องพูดกับดวงดาวและอิลลัฮลลอฮฺท่าพี่น้องต้องต้องต้องช่วยนะครับต้องอ่าต้องทายังไงดีให้เรามีความรู้สึกว่าอัลกุรอานมันมันเต็มไปหมดเลยมันจนกระทั่งเราไม่รู้จะอเราจะสะทายายยังไงลวต้องให้ผู้เชี่ยวชาญมาสะทยายเพิ่มเติมว่า ดวงดาวเนี่ยมันมีอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราแต่ใช้ให้ถูกก็แล้วกันอย่าใช้ในทางชีริกมันตสองมัสองทางหนึ่งใช้ในทางที่เป็นเตาที่นี่เวลาที่เราพูดถึงดวงดาวแบบนี้เนี่ยให้มันมีเตาที่ให้มันกลับไปสู่อัลลอฮ์สุภาวิตรายยอมรับในพระอํานาจของอัลลอฮ์อย่าให้ศึกษาดวงดาวแล้วกลับไปสู่ชีริกเพราะมีบางคนศึกษาดวงดาวแล้วชีริกก็มีแต่มันดาคนที่ดูดวงทั้งหลาย อันนั้นเขาว่าดูดวงแล้วชีริกดูดาวแล้วชีริกอันนี้ต้องระวังด้วยนะอย่าอย่าใช้มัคลของโลกสวรวคัลละเพื่อทำชีริกต่อพระองค์เหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นในยุค ข, ของท่านนาบีของบรรด า, า, าหสหายเราดออัลลอฮอันหุมะตอนที่มันมีกลุ่มสห า, าบ์าบางกลุ่มที่รับอิสลามมาใหม่ๆแล้วเวลาฝนตกอย่างนี้ ก็จะพูดว่าอฝนตกแล้วเพราะว่าดวงดาว น, น, านั้นมาอยู่ตรงนั้นมาอยู่ตรงนี้ท่านน บ, บีห้ามเลยท่านอ บ, บีบอกว่าอัลลอฮฺสัมบอุตาลัตรัสในอัลกุรอานว่าย่าร um ิฟูนะเนื้อมาตัลลอฮซุมมายุมคิรูนะฮะพวกเขาเหล่านั้นรู้จักเนืมอมของ Allah แต่พวกเขาก็ปฏิเสธยังไงล่ะปฏิเสธแบบนี้ไงรู้ว่าฝนนี่มาจาก Allah แต่สุดท้ายก็บอกว่าเนี่ยเพราะวา่า อันนั้นมาอยู่ตรงนั้นอั น, นั้นมันเพราะดวงดาวนั่นแหละเพราะดวงดาวนี้แหละเป็นคนให้น้ำฝนอะไรอย่างนี้โุต no no ิร์นบิโนอิกาซาวานออิกาซานี่เป็นการห้างการใช้เนี่มัดการใช้ดวงดาวการใช้มักลูกขอร์ลส์มาต่ะแหละเป็นมูลเหตุทําให้มนุษย์ชีริกต่อพระองค์ต้องระวังเพราะทุกวันนี้นี่มันเกิดเป็นสองอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับทุกอย่างนี้พี่น้องดูดูพฤติกรรมคนที่ชีริกในโลกดุนียานี้จะพบว่า สามารถที่จะเอามาชิริกกับอัลลอะห์ทุกแบบเลยกับแม่น้ําก็ชิริกได้กับดวงอาทิตย์ก็ชิริกได้กับดวงจันทร์ก็ชิริกได้กับกอไผ่ก็ชิริกได้ <c oughs> ชิริกได้หมดทุกอย่างเลยสุภาพน่ลรักนี่คือคนที่ไม่มีศรัทธาต่ออัาาลลอฮ์เราจะทํายังไงให้เวลาที่เราเห็นมะคลุกอัลลอฮ์ละให้มันเป็นเตาฮีตให้หมดลบชิริกออกให้ okay, หมดให้มันเป็นเตาฮีตให้หมด นี่เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า exclusive เฉพาะอิสลามเท่านั้ น, น, นจำเอาไว้ง่ายๆเลยนะครับอะกิดะที่ถูกต้องสั ญ, ญลักษณ์ประการแรกเครื่องหมายประการแรกที่จะชี้ว่าอะกิดะที่ถูกต้องคืออะไรคือไม่มีชิริกมีแต่เตาฮีคำสอนไหนก็ตามที่พยายามจะแยกตัวออกไปจากเตาฮี เริ่มมีอย่างอื่นที่เป็นขัดกับเตาฮิดจําเอาไว้เลยนั่นแหละคําสอนที่ตรงกันข้ามกับอิสลามนะไม่ว่าคําสอนนั้นจะแอ บ, บแฝงอิสลามก็ตามบางครั้งบางครั้งก็อาจจะบอกว่าตัวเองเป็นมุสลิมอ า, อาจจะบอกว่าตัวเองมีอัคเคาดะเป็นมุสลิมศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่พอไปดูจริงๆแล้วแฝงอัคเคาดะชิริท์อยู่จําเอาไว้เลยว่าไม่ใช่อัคเคาดะของอิสลามพุ่งหัวล่อหัวหัดเท่านั้นต้องตรงกันข้าม ก, กับชิริท มีแต่เต้าฮ็ดอย่างเดียวไม่ว่าคุณจะบอกว่าคุณเป็นอุลามะมาจากไหนเป็นศิลสิลาเป็นลูกหลานนาบีเป็นพวกที่มีอะไรต่างๆนาน า, นาเป็นกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากดูแล้วมีคําสอนที่สอนให้ชิริกตั้งภาคีกับอัลลอฮ์สุบานตะละไม่ใช่ละไม่ใช่อิสลามเด็ดขาด ไม่ใช่อิสลามที่อัลลอฮฺองศ า, าหาา์ประทานมาให้กับนบีมูซาประทานมาให้กับนบีมุฮัมมัดประทานมาให้กับนบีอิบรออีประทานมากับกับนบีนูอัลลอฮิสซลาฮไม่ใช่โดยเด็ดขาดจำเอาไว้ง่ายๆเลยเพราะเราจําอย่างนี้มันจะง่าย เ, าเราไม่ต้องไปจาาําหรอกมันมีชีริกกี่ประเภทโอ้ยไม่หวัาา่นจํานะครับจําไม่ไหวหรอกมันเยอะมแค่จำเอาไว้อย่างเดียวว่าเตาฮีกเป็นยังไงแล้วเราก็จะจําแนกได้เลยว่าชีริกเป็นยังไง จะไปจำชี้ฤกเนี่ยจำไม่หมดหรอกุนลานี้มีชี้ฤกษไม่รู้ตั้งกี่แบบกี่ร้อยแบบในอิสลามเองในในคนที่แอบอ้างอิสลามเองก็มีชีริกอยู่เยอะแยะแล้วนัภาษาอะไรขคนที่อยู่นอกอิสลามชีริกเยอะแยะไปหมดเลยจำไม่จำไม่ไหวจำเต้าีบแล้วคุณจะรู้จักชีริกเองนะครับเนี่ยจะรู้ว่าคําสอนนั้นเป็นคําสอนที่ถูกต้องก็คือประการแรกเลยว่า สอนให้คนมีเตาวหีบต่อรอกสุภาพจล้ประการที่สองก็คือสอนให้คนตามปฏิบัติตามสุนนะของท่านนาบีสุสลต่ามทุกกระเบียดนิ้วถ้าไปดูแล้วคำสอนของคำสอนไหนก็ตามลัทธิไหนก็ตามคำสอนของศาสนาไหนก็ตามที่บอกพูดถึงแล้วมันคานกับคำสอนแบบอย่างของท่านนาบีจำเอาไว้เลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่อิสลามที่ท่านนาบีสุสลตล่ามรับมา จาอัลลอฮ์สุภาพตาแล้วท่านนาบีสอนให้เราเป็นคนมีเมตตาแล้วเราไปเจอในคําสอนบางคําสอนเนี่ยสอนให้เราทําร้ายตัวเองเดี๋ยวก่อนท่านนาบีไม่ได้สอนอย่างนี้ไม่ใช่ในภาพบอกไหมครับท่านนาบีสอนให้เราในความสามัคคีกันในความเป็นหนึ่งเป็นเดียวอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่างคนที่มีอาเเดะเหมือนกันแล้วไปดูคําสอนบางคําสอน ต้องการให้เราทะเลาะกันต้องการให้เราแตกแยกกันเดี๋ยวก่อนใช่หรือเปล่าซามสอนอย่างนี้หรือเปล่าต้ออย่างนี้แหละครับนี่คือผลสะท้อนของละอีละอิละลอละมุฮัมมัดุรัสูลุละห์ซึ่งทุกอย่างที่เราเห็นในโลกดุนยานี้ s มัคลุกเองสอนให้เราเป็นคนที่มีเตาฮิเตาะห์ละอิสลามเราต่างาสอนให้เราเป็นคนที่มีรหมมะสอนให้เราเป็นคนที่มีความเข้าใจชีวิตผ่านกระบวนการเรียนนะครับทั้งอายะ Quraniah, y ayat q a u l i ya, h l a ke ayat k a u n i ya. h Kedua ayat ni mesti sama-sama mengajar kita tentang semuanya. Allah Taala tahu. Sallallahu ala Nabi Nabi Muhammad dan alaihi wasallam. Subhanallah oh. Rabbil al-Za'atama yasifun. Salam ala al-Muslimin. Alhamdulillahirobbil alamin. Sallamualaikum warahmatullah.